หรือไม่สามารถเสพกามอามิ t h เหล่านั้นแล้วเขาก็จะต้องขับแคนแสนทุกข์เพราะมันส่วนคนที่พัฒนาในขั้นสูงต่อขึ้นไปก็จะพบความสุขที่ประณีตลึกซึง้งซึ่งไม่ขึ้นต่อกามอามิตรถึงขั้นแห่งความสุขที่เป็นอิสระเป็นภัยแก่ตนเป็นเสรีชนที่แท้อย่างที่ว่าเป็นความสุขซึ่งมีในตัวเป็นประจำตลอดเวลา